จเจริญพรญาติโยมทั้งชาวสุรินทร์แล้วก็คนที่อื่นนะมีทั้งหลายที่แหละหลวงพ่อก็เป็นคนกรุงเทพนะแต่ครูบาอาจารย์ที่ประทับใจมากที่สุดเลยเป็นคนสุรินทร์คือหลวงปู่ดูลยหลวงพ่อมาหาท่านตั้งแต่สมัยเป็นคารวาส สิ้นหลวงปู่ดูลแล้วก็ยังมีหลวงพ่อกิมนะก็มีหลวลงตาผนึกเป็นครูบาอาจารย์ทางสุรินที่สืบทอดกันมาที่จริงทางสุรินเนี่ยคนภาวนาเก่งๆเนี่ยมีมากนะทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งคารวะเคยเห็นคารวะที่นี่ภาวนากันเก่งๆมากๆเลย นี่พอเวลาผ่านมาหลายปีนะมันก็คงเหมือนที่อื่นๆการภาวนาบางทีก็ย่อหย่อนไปพอหมดครูบาอาจารย์ที่จะเป็นที่พึ่งนผู้หลักผู้ใหญ่การภาวนาบางทีก็เริ่มย่อหย่อนแท้จริงแล้วธรรมะเนี่ยไม่เคยตายตามครูบาอาจารย์ไปด้วยหรอกขนาดพระพุทธเจ้าปรินิพานไปนานแล้วธรรมะก็ยังอยู่ หลวงปู่ดูลย์ท่าเคยสอนบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเพราั้นจริงๆเราไม่ใช่เรื่องยากอะไรธรรมะนั้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นเพราะเราไม่ใส่ใจที่จะดูธรรมะแสดงตัวอยู่ที่ไหนธรรมะแสดงตัวอยู่ในร่างกายเรานี้เองนะเรียกว่ารู ป, ปรธรรมธรรมะแสดงอยู่ในจิตใจของเรานะเรียกว่านามธรรมา งัา น, นธรรมะที่เราจะเรียนกันคือรูปประธรรมกับ น, นมามธรรมคือกายกับใจของเรานี่เองถ้าทิ้งกายทิ้งใจทิ้งรูปทิ้งนามไปเนี่ยไม่ใช่การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้มีสองขั้นตอนสองประเภทอันที่หนึ่งคือสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานมีมาก่อนพระพุทธเจ้า แต่ท่านเห็นว่ามีประโยชน์ท่านเห็นว่ามีประโยชน์ท่านก็รับเอามาเก็บไว้ในคําสอนของท่านการปฏิบัติอย่างที่สองชื่อวิปัสสนากรรมฐานอันนี้มีเฉพาะในคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีในคําสอนของคนอื่นงั้นถ้าเราหัดทำกรรมฐานเนี่ยถ้าเรายกระดับจิตใจขึ้นมาถึงขั้นการทําวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้ ก็ยังไม่ได้ของดีที่สุดในทางพระพุทธาศาสนาลำพังการทำสมถะกรรมฐานนะั้นทำจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวทำจิตให้มีความสุขมีความสงบสบายในศาสนาอื่นก็มีอย่างศาสนาบางศาสนาเขาก็คิดถึงพระเจ้าไปร้องเพลงถึงพระเจ้าจิตใจจดจ่ออยู่กับพระเจ้ามันก็เป็นสมถะกรรมฐ า, านจใจไม่ฟุ้งไป ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายใจก็สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวแต่วิปัสสนากรรมฐานไม่มีนะไม่มีที่อื่นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเรียนไม่ใช่เพื่อให้เกิดความสุขความสงบไม่ได้เรียนเอาดีด้วยต่างกันสมถะสมถะนั้นเรียนเอาดีเอาสุขเอาสงบ นีบางคนพอดีแล้วสุขแล้วสงบแล้วพอใจอยู่แค่นั้นไม่ยกระดับจิตใจไปสู่ขั้นการเจริญปัญญาวิปัสสนานี่คือการเจริญปัญญาสงบอย่างเดียวไม่พอต้องฉลาดด้วยต้องมีปัญญาด้วยถ้าเราสงบอยู่เฉยๆพอจิตเคลื่อนออกจากความสงบกิเลสมันก็กลับมาใหม่ความทุกข์มันก็กลับมาใหม่มันไม่สามารถล้างกิเลสให้เป็นสมุดเฉดประหาะ ล้างแล้วล้างเลยนี่ล้างไม่ได้มันข่มกิเลสได้เป็นเปล่าๆนะเช่นเราหัดพูดโธพุทโธนะจิตสงบไม่หนีไปจากพุ meiner, โทโธพอจิตไม่หนีไปจากพุทโธจิตสงบอยู่กับพุโทโธสบายมีความสุขนี่เป็นสมถะรมฐานเรามารู้ลมหายใจนะจิตไม่หนีไปจากลมหายใจเลยจิตอยู่กับลมหายใจสงบอยู่กับลมหายใจอันนี้คือสมถะรมฐานจิต แน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวนะเคล็ดลับของการทําสมถกรรมฐานนะอยู่ที่เราต้องรู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานนะที่เหมาะที่ควรกับตัวเราเองคนไหนพุดโธแล้วสบายใจเราพุดโธคนไหนหายใจแล้วสบายใจนะรู้ลมหายใจไปคนไหนดูท้องผ่องยบแล้วสบายใจก็ดูท้องผ่องยบเคล็ดลับมันอยู่ที่ความสบายใจ จิตปกตินั้นจะร่อนเร่ตลอดเวลาเที่ยวหาอารมณ์อณันโน้นอารมณ์นี้ตลอดเวลาแล้วจิตเที่ยวหาความสุขถ้าเราเอาอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อนะไม่ให้จิตหนีไปอยู่กับอารมณ์อันอื่นจิตมันสบายอยู่ในอารมณ์อันเดียวใครพุโทโธแล้วสบายนะก็มาพุโทโธพะจิตมันมีความสุขมีความสบายจิตไม่หนีไปที่อื่ น, นได้สมะถะกรรมฐานสงบแน่วอยู่ในอารมณ์ันเดียว คนไหนหายใจเข้าหายใจออกแล้วมีความสุขมีสติรู้ลมหายใจมีความสุขเราก็มารู้ลมหายใจไปเรื่อยๆดูสบายๆพอจิตมันมีความสุขมีความสบายมันก็ไม่หนีลมหายใจไปหาอารมณ์อื่นจิตก็สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวงั้นสมถกรรมฐานเนี่ยเคล็ดลับของมันอยู่ที่ต้องรู้จักเลือกอารมณ์อย่าไปเลือกตามครูบาอาจารย์อย่าไปเลือกตามเพื่อน ต้องดูตัวเองว่าเรารู้อะไรแล้วมีความสุขบางคนคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขนะก็คิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆนะพุทโธพุทโธนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าใจก็มีความสุขนะมีปีติมีความสุขขึ้นมาไม่ฟุ้งซ่านคนไหนทําทานมาดีนะค่คิดถึงทานที่เราทําแล้ว ไปคิดถึงทานจะบ่อยๆนะเราเคยสร้างความดีช่วยช่วยคนโน้นช่วยคนนี้นะช่วยวัดวารามช่วยาศาสนาอย่างเราช่วยกันสร้างเจดีย์ของหลวงตาผลึกนี้ขึ้นมาทุกคราวที่เราเห็นเจดีย์เรามีความสุข้ใจิตใจมีความสุขใจิตใจก็สงบอยู่บ้านก็นั่งนึกถึงเจดีย์นี้ไปเรื่อยๆหรือเราเคยไปกราบพระพุทธรูปนกราบพระชีกราบอะไรอย่างนี้กราบแล้วมีความสุข นึกถึงพระจีนะ่ะจิตใจก็สงบนะงั้นการทําสมถะกรรมฐานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ถ้าทําผิดหลักเนี่ยมันยากเช่นจิตไม่สงบนะจะบังคับให้สงบจิตพอถูกบังคับในจิตไม่มีความสุขเพะจิตไม่มีความสุขจิตจะไม่สงบนะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เองนะกว่าจะได้เคล็ดลับนะก็ภาวนานกันนานนี่หลวงพ่อบอกให้ฟรีๆนะว่าสังเกตตัวเอง ใครพุทโธแล้วมีความสุขอยู่กับพุทโธใครหายใจแล้วมีความสุขอยู่กับลมหายใจใครดูท้องผองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องผองยุบไปใครเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินจงกรมไปให้ใจมันอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตก็เป็นหนึ่งอารมณ์ก็เป็นหนึ่งบางทีจิตกับอารมณ์รวมเข้าไปด้วยกันนะรวมเข้าด้วยกันแนบแน่นลงไปลึกลงไปะสิ่งที่เราได้ก็คือความสุขความสงบ ความดีเวลาจิตมีราคะขึ้นมาถ้าเราจะแก้ราคะเราพิจารณาอาสุภะแก้กันจิตก็สงบเรียกเป็นสมถะธรรมฐานเวลาจิตมีโทสะขี้โมโหโกรธเก่งก็หัดเจริญเมตตาบ่อยๆพอเราเจริญเมตตาบ่อยๆใจเราอ่อนโยนใจเรานุ่มนวลใจเรามีความสุขเวลาโกรธคนอื่นใจเราไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นไม่สงบแน่ แต่เวลาเราจเจริญเมตตานะมีเมตตาบ่อยๆใจมันมีความสุขขึ้นมามันมีความสงบเกิดขึ้นงั้นจเจริญเมตตาไปหนึ่งก็ได้สมถกรรมฐานแม้สมถกรรมฐานมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกะถ้าจิตมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์อะไรนะเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นบ่อยๆจิตก็มีความสุขมีความสงบมีความดีเกิดขึ้นแต่ลําพังความสุขมันเป็นของไม่เที่ยงความสงบมันเป็นของไม่เที่ยง ความดีก็เป็นของไม่เที่ยงมันมีการปฏิบัติธรรมอีกระดับหนึ่งอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมซึ่งมีเฉพาะในคําสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าคือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาไม่ใช่การคิดถึงธรรมะแต่เป็นการเห็นความจริงของธรรมะสิ่งที่เรียกว่าธรรมะก็คือรู ป, ปร ธ, รามมาธรรมนะกนามธรรมคือกายกับใจของเรานี่เองเราจะต้องมาเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจ ถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจได้มันจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายนี้เป็นแค่วัต ถ, ถุธาตุไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรที่เราจะบังคับได้ตามใจชอบตลอดเวลาจิตใจนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงจิตใจนี้ก็เป็นของเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นตลอดเวลาถูกบีบคั้นด้วยกิเลสด้วยตัณหานั่นแหละแล้วก็จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้อย่างเราจะสั่ง ให้จิตเราคิดแต่เรื่องดีๆเราสั่งไม่ได้เราจะห้ามไม่ให้มันคิดชั่วมันห้ามไม่ได้ถ้าจิตมันเป็นอนัตตาการที่จะมาเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการมาหัดดูกายมาหัดดูใจตนเองดูกายก็เห็นกายความจริงของร่างกายเขาเรียกว่าไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังเนี่ยคือไม่เที่ยง ของไม่เคยมีแล้วเกิดมีขึ้นมาเรียกว่าไม่เที่ยงของเคยมีแล้วหายไปเรียกว่าไม่เที่ยงทุกขังมันบีบคั้นหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปตามเหตุนะถ้าเหตุมันเปลี่ยนตัวมันอยู่ไม่ได้เหตุมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างร่างกายเราเนี่ยเราไปกินข้าวให้อิ่มนะเสร็จแล้วร่างกายก็เปลี่ยนแปลงความอิ่มอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวหิวอีกแล้ว ร่างกายแข็งแรงอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็เจ็บป่วยได้อีกละหรือเจ็บป่วยแล้วรักษาไปก็หายนะความเจ็บป่วยก็ไม่เที่ยงมีไหมความเจ็บป่วยที่เที่ยงไม่มีถึงเจ็บหนักๆจนตายเนี่ยสุดท้ายพอตายแล้วความเจ็บป่วยก็หายะหายไปพร้อมกับชีวิตนั้นไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยนะในร่างกายนี้แล้วก็มีแต่ของบังคับไม่ได้ เราสั่งให้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดเวลาไม่ได้นะสั่งไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ก็สั่งไม่ได้สั่งให้แข็งแรงนะสั่งไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราสั่งได้จริงเลยการที่เรามาหัดดูบ่อยๆนะจนใจมันยอมรับความจริงร่างกายนี้มีแต่ของไม่เที่ยงร่างกายมีแต่ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ใครไม่เชื่อว่าหายใจก็ทุกข์นะลองดูเสียง เองหายใจออกไปเรื่อยๆดูซิว่าจะทุกข์ไหมหายใจออกไปเรื่อยนะเรียก็ทุกข์แล้วเราต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์หายใจเข้าไปนึกว่ามีความสุขเราหายใจเข้าไปสักพักหนึ่งก็มีความทุกข์เราต้องหายใจออกเพื่อจะแก้ทุกข์ตลอดเวลานั่งหายใจอยู่ทั้งวันเนี่ยก็เพื่อแก้ทุกข์นั่นเองร่างกายต้องเปลี่ยนอิริยาบถไะนั่งนานๆก็ทุกข์ทนไม่ได้ต้องเปลี่ยน ยืนใหญ่เฉยๆหยุดนานๆก็ทุกข์นอนนานๆก็ทุกข์ใครว่านอนไม่ทุกข์ไม่จริงหนะ่อยเวลาเรานอนนะเราพลิกซ้ายพลิกขวาทั้งคืนคืนหนึ่งพลิกตั้งสามสิบสี่สิบครั้งเพราะว่ามันทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็ไม่เคยเห็นเลยว่าร่างกายมันทุกข์ต้องรอจนเจ็บป่วยหนักๆ ก, ก, ก่อนถึงจะเห็นว่ามันทุกข์นี่เราคอยดูของจริงนะค่อยดูของจริงในร่างกายร่างกายมีแต่ของไม่เที่ยง ร่างกายมีแต่ของที่เป็นทุกข์ร่างกายมีแต่ของที่บังคับไม่ได้สั่งมันไม่ได้เนี่ยดูซ้ำแล้วซ้าอีกลงไปจนใจมันยอมรับความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเหรอกเป็นแค่วัตถุธาตุเป็นโพรงเป็นถ้ำที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวถึงวันหนึ่งจิตก็ทิ้งร่างกายนี้ออกไปนะเกิดแล้วก็วตายไปก็ เ, เอาไปเผาทิ้ง เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของดีนะไม่ใช่ตัวเราที่แท้ จ, จริงบางคนไม่ถนัดดูกายก็มาดูจิตะมาดูจิตใจจิตใจก็มีแต่ความไม่เที่ยงเช่นเดียวกับร่างกายจิตใจก็มีความทุกข์เช่นเดียวกับร่างกายจิตใจก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เช่นเดียวกับร่างกายเหมือนกันในจิตใจของเราเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยง นะโลภปลดหลงก็ไม่เที่ยงนะจิตจะเป็นกุศลขึ้นมาก็ไม่เที่ยงนี่เราค่อยตามรู้ตามดูของจริงๆไปเรื่อยเราก็เห็นว่ามีแต่ของไม่เที่ยงความสุขก็ทนอยู่ไม่ได้นานความทนอยู่ไม่ได้ของความสุขอันนี้แหละเรียกว่าทุกขังทุกขังเพรามันทนอยู่ไม่ได้ความสุขเองก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันทนอยู่ไม่ได้ความทุกข์เองก็เป็นทุกข์เพราะมันทนอยู่ไม่ได้ไม่มีทุกข์ตลอดนะไม่มี มีทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ดับไปทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ดับไปกุศลก็เป็นของทนอยู่ไม่ได้ใจเราบางทีก็เกิดศรัทธาบางทีเราก็เสื่อมศรัทธาใจเราก็แกว่งขึ้นแกว่งลงใจบางทีเราก็เกิดความเสียสละบางทีก็ตรณีบางครั้งก็เมตตาบางครั้งก็พยาบาทะ ใ, ใจเราแกว่งไปแกว่งมานะไม่ทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งนั่นอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของทนอยู่ไม่ได้ แล้วจิตจะดีจิตจะร้ายจิตจะสุขจิตจะทุกข์สั่งไม่ได้เราสั่งมันไม่ได้ถ้าเราสั่งได้เราก็สั่งไปเลยเอ้าจิตต่อไปนี้จงบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์สั่งมันไม่ได้นะมันไม่หันด้วยหรอกมันได้แต่หันไปหันมาหันไปหากิเลสเนาะนั้นเรามาคอยเรียนให้เห็นความจริงการคอยเรียนให้เห็นความจริงของกายเรียนให้เห็นความจริงของจิตใจ อันนี้แหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานอย่าไปตกใจกลัวกับชื่อวิปัสสนานะครูบาอาจารย์ที่สอนมาท่านก็สอนให้เราเรียนรู้ความจริงของกายของใจอย่างหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลหลวงพ่อทำสมาธิมาตั้งแต่เจ็ดขวบนั่งสมาธิทุกวันทุกวันได้แต่ความสุขได้แต่ความสงบไม่มีปัญญาเพราะว่าไม่รู้วิธีที่จะเจริญปัญญามาเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลท่าน เป็นครูบาอาจารย์ที่ประหลาดนะเราเข้าไปกราบท่านจะไปขอคำอมิฐานกับท่านเนี่ยท่านต้องนั่งเงียบๆนะ น, นั่งหลับตาเงียบเลยไปเกือบชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วท่านก็ตื่นลืมตาขึ้นมาท่านจะบอกเลยว่าให้เราปฏิบัติอย่างไรอย่างของหลวงพ่อนะท่านให้ให้ดูจิตเอาท่านบอกอ่านหนะังสือมามากแล้วต่อไป น, นี้อ่านจิตตนเองมาอ่านจิตตนเองก็เห็นแต่ของไม่เที่ยง จิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงอกุศลก็ไม่เที่ยงตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเราก็เห็นทุกอย่างเนี่ยชั่วคราวจิตที่มีความสุขก็อยู่ชั่วคราวจิตที่มีความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตโลภก็ชั่วคราวจิตโกรธจิตหลงก็ชั่วคราวเห็นแต่ของชั่วคราว แล้วก็เห็นเลยว่าเราบังคับมันไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้ดีตลอดสั่งไม่ได้เนี่ยหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูความจริงของจิตหลวงปู่ดูลไม่ได้สอนแต่ดูจิตอย่างเดียวอย่าเข้าใจผิดสอนดูไก่ก็มีลูกศิษย์หลวงปู่ดูลที่ดูกายก็มีเยอะแยะบางองค์ท่านให้เริ่มจากดูผมเส้นเดียวหลายเส้นก็ไม่ได้ให้ดูเส้นเดียวใครรู้จักหลวงพ่อคืนมั้งหลวงพ่อคืนใครเคยได้ยินชื่อไหมเรื่องนี้ หลวงพ่คืนอยู่วัดหน้าเรือนจําำอยู่หน่าเรือนจําไม่ได้อยู่ในเรือนจํานะอยู่หน่าเรือนจําหลวงพ่คืนใด้ไปเรียนตั้งแต่เป็นโยมะหลวงปู่ดูลก็สั่งบอกให้ดูผมเส้นเดียวหลวงพ่อคืนก็รู้สึกน้อยใจท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วบอน้อยใจหลวงปู่ที่หลวงปู่สอนคนอื่นนะให้ดูอะไรตั้งเยอะแยะของท่านให้ดูผมเส้นเดียวเองท่านก็ไม่ยอมดูนะแล้วไปภาวนาอยู่กับหลวงปู่เทศนานเลยะ แล้วก็กลับมาสุรินมาพอนาไปเรื่อยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาจิตไม่สงบเลยวันหนึ่งนึกขึ้นได้ว่าหลวงปู่ดูลให้ดูผมท่านดูผมเส้นเดียวจิตท่านก็รวมจิตก็สงบบางองค์หลวงปู่ก็สอนให้ดูกระดูกนะมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้ยังอยู่แบบหลวงพ้องานใครได้ใครดูจัดมายังอยู่ไหมยังอยู่เนาะเอ อ, อครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่ดูลสอนนะแต่ละองค์แต่แ ล, ลงนะงเนี่ไม่เหมือนกันนะ ท่านสอนตามจริตนิสัยของลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ที่สอนตามจริตนิสัยของลูกศิษย์เนี่ยหายากที่สุดส่วนมากครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านจะสอนตามสิ่งที่ท่านเคยปฏิบัติมานังนั้นครูบาอาจารย์ที่เลอเลิศแบบรู้ว่าลูกศิษย์คนนี้ต้องภาวนาอย่างนี้คนนี้ต้องภาวนาอย่างนี้หายากหลวงพ่อยังไม่เห็นองค์ที่สองนะเห็นแต่หลวงปู่ดุล ส่วนใหญ่ท่านเคยทํำยังไงท่านก็สอนอย่างนั้นท่านเคยพุโทโธพิจารณา ก, กายท่านก็พุโทโธพิจารณากายนะแล้วก็ตอนหลังมาดูจิตอะไรเงี้ยก็เป็นลําดับลําดับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นที่สอนแปลกออกไปเลยนะหลวงปู่ดูลนั้นสอนแปลกแต่พอหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลแล้วนะพอไปหาครูบาอาจารย์โรงอื่นไปหาหลวงปู่สิมหลวงปู่เทศอนะไรเนี้ยท่านไม่ได้บอกว่าเราทําผิดนะท่านไม่ได้บอกว่ากลับไปเริ่มที่กายไม่ได้สอนอย่างนั้นเลย ท่นต่อยอดให้ดูจิตต่อไปตลอดเพราะในความเป็นจริงเราดูกายเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นจิตถ้าดูกายถูกต้องจะเห็นจิตนะดูจิตเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นความจริงของจิตกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตเพราะนั้นถ้าเรียนแลเข้ามาถึงจิตถึงใจนะเราจะได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติถ้าเรียนแล้วมาไม่ถึงจิตเนี่ยยังได้ผิวผิวได้เปลือกเปลือกของการปฏิบัติ อย่างเราจะดูไกายจเจริญปัญญาด้วยการดูไกาต้องมีจิตเป็นคนดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตดูไกาเห็นร่างกายอยู่ห่างๆเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูอยู่ห่างๆมันจะรู้สึกเลยว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เหมือนเปลือกนะเป็นโพรงเป็นถ้ำที่จิตมาใส่อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเปลือกอันนี้เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เร า, ไ ม, ไ, ม ไ, มเราไม่ใช่เขาเห็นเองนะ แต่ถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้จะดูเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ใครเป็นคนรู้ความสุขความทุกข์ก็จิตเป็นคนรู้ความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์เกิดที่ไหนเกิดที่ร่างกายบ้างเกิดที่จิตบ้างงั้นบางทีภาวนาดุเวทนาความสุขความทุกข์เราเห็นกายด้วยเพราะความสุขความทุกข์ก็เกิดมาจากร่างกายอาศัยร่างกายเกิดขึ้นมา กระทั่งความสุขความทุกข์ทางใจนบางทีก็อาศัยร่างกายเช่นตาเรามองเห็นพอตาเรามองเห็นรูปสวยงามนะจิตใจก็มีความสุขขึ้นมาอาศัยวัตถุจิตใจก็เปลี่ยนนะเฉะนั้นเวลาที่เราภาวนาเป็นจริงๆนะจิตตั้งมั่นขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เนะี่ยการภาวนาเนะี่ยมันไม่ใช่มีหรอกสายกายสายจิตอะไรนะเป็นของทุกอย่างนะ่ะ เวลาเราภาวนาเราดูกายเราก็เห็นจิต ด, ดูจิตเราก็เห็นกายมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดะเราจะเห็นขันห้าทั้งหมดเลยไม่ใช่เห็นเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เห็นแต่ร่างกายนะคนดูกายก็ไม่ใช่ว่าไม่เห็นจิตคนดูจิตก็ไม่ใช่ไม่เห็นกายอย่างคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะหัดดูจิตจํานวนมากที่หัดดูจิตนะเพราะจริตนี้ใสเหมาะวันๆนะทางานที่ต้องคิดตลอดเวลา ไปทำสมาธิเนี่ยจิตไม่สงบไม่รวมพอจิตไม่สงบนะจะมาดูกายดูยากที่สุดเลยจะดูไายได้ดีจิตต้องมีสมาธิมากๆจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาถึงจะดูไก่ได้ชัดไม่งั้นดูไกยไม่ชัดต่อนี่อย่างเป็นพวกคนในเมืองวันๆคิดทั้งวันเยทําสมาธิไม่สําเร็จใจมันฟุ้งมากะก็ทํากรรมฐานแบบดูจิตไปถ้าดูจิตไปสักช่วงหนึ่งจิตจะสงบสมาธิจะเกิดขึ้นเองนะหลวงพ่อ น, นี่แหละ ไปหัดสมาธิมาก่อนนะแล้วก็แนวนิ่งสงบเฉยๆมาเจอหลวงปู่ดนท่านสอนดูจิตดูจิตไปดูจิตไปนะเกิดสมาธิขึ้นอีกหลวงปู่ดูลนก็เคยบอกว่าหลวงพ่อเข้าสมาธิท่านบอกงี้ยเราก็โง่นะ่าเราไปเถียงท่านบอกผมไม่ได้เข้าสมาธิผมดูจิตท่านบอกเราดูจิตไปนะนจะมีสมาธิอันตโนมัติขึ้นมา คือเวลาที่เราดูจิตมันทำงานเรื่อยๆไปบางครั้งเราเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแสดงไตรักตรงนั้นเป็นขั้นการเจริญปัญญาบางครั้งเราดูจิตไปจิตนิ่งสงบแน้วสบายโล่งว่างอยู่อันั้นเป็นสมถกรรมฐานนะยังไม่ใช่ว่าดูจิตก็เป็นวิปัสสนาไม่ใช่บางทีก็เป็นสมถะบางทีก็เป็นวิปัสสนาดูกายก็ไม่ใช่เป็นวิปัสสนาตลอดดูกายถ้าไปเพ่งอยู่ที่ร่างกายนะจิตสงบอยู่กับร่างกายเฉยๆก็เป็นสมถะ ถ้าดูกายแล้วจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูน่ะจิตแยกออกมาอยู่ต่างหากเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่เห็นร่างกายมันเหมือนวัตถุเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูอยู่เนี่ยนะถึงจะเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรางั้การภาวนานะเราต้องมาฝึกจิตของเราให้เป็นคนดูให้ได้ซะก่อนถ้าจิตยังไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะไปเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอก นั่นจะไปฟุง้งซ่านไปแอบคิดเอาแล้วเรามาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้นะให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูวิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเพื่อจะได้เจริญปัญญาเนี่ยไม่เหมือนการทําสมถะการทําสมถะเราเลือกอารมณ์ที่มีความสุขแล้วก็ให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั้นไม่หนีไปที่อื่นอย่างนั้นจิตได้สมถะได้ความสงบแต่ในขั้นจะมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ย เราก็ทํำสมาทานขึ้นสการหนึ่งก่อนะใครถนัดพุดโทโธเคยทําสมาทาด้วยพุโทโธเราได้ผลแล้วก็ใช้พุโทโธใหม่ใครเคยรู้ลมหายใจเราได้ผลนะก็รู้ลมหายใจไปใครดูท้องของยบเราได้ผลก็ดูท้องของยกไปทํากรรมฐานอย่างเดิมแหละแต่ว่าไม่เหมือนเดิมไม่ได้ทําเพื่อ น, น้อมจิตให้ไปสงบอยู่ในอารมณ์บันเดียวแต่ค่อยๆสังเกตไปนะเช่นเราหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยไม่ใช่ให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจ แต่มาค่อยๆสังเกตไปเห็นร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนจิตเป็นคนดูเราค่อยๆฝึกให้มีจิตที่เป็นคนดูร่างกายเป็นของจุกรู้ถูกดูกายกับจิตมันจะแยกออกจากกันมันจะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราเคลื่อนไหวอีกต่อไป ค่อยๆฝึกนะให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้ถ้าจิตไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งก็มีเท่านั้นเองไม่ก็เป็นจิตผู้เพ่งสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอันนั้นเป็นจิตทรรสมถะแต่จิตของคนส่วนใหญ่นั้นมันไม่สงบด้วยแล้วก็ไม่ตั้งมั่นด้วยเป็นจิตฟุ้งซ่านเฉยๆเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งทั้งวันเราต้องมาฝึกนะจนจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้ วิธีฝึกก็คือทํากรรมฐานขึ้นมาสักอันหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตหายใจแล้วก็รู้ทันจิตดูท้ อ, อทงพองยุบแล้วก็รู้ทันจิตไปขยับมือทําจังหวะแล้วก็รู้ทันจิตไปหรือดูเวทนาก็ดูเวทนาแล้วก็มารู้ทันจิตเช่นเห็นนั่งสมาธิเป็นนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเลยเราเห็นเลยว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อีกส่วนหนึ่ง เนี่คยค่อยๆหัดแยกมันไปเรื่อยๆถ้าแยกตัวนี้ได้นะการภาวนาจะไม่ยากละครับเมื่อไร่จิตของเราเมันแยกตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะมันจะเห็นวนะ่าคันห้าจะเป็นตัวรูปคือร่างกายตัวเวทนาความสุขความทุกข์ตัวสัญญาคือความจําได้ความหมายรู้ตัวสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วตัววิญญาณคือจิตที่ออกรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจล้ว น, นแต่ไม่ใช่ตัวเรา เน่ยพอจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้มันจะเห็นร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราร่างกายเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเนยใครไปเห็นต้นไม้เป็นตัวเราว่าไม่เห็นหรอกทําไมเราไม่เห็นต้นไม้เป็นตัวเราเพราะต้นไม้กับเรามันแยกออกจากกันมันอยู่ห่างๆออกไปร่างกายนี้เหมือนกันถ้าจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาจริงๆนะมันจะเห็นว่าร่างกายอยู่ห่างๆร่างกายไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ก็อยู่ห่างๆนะไม่ใช่ร่างกายด้วยไม่ใช่จิตด้วย เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายบ้างแปลกปลอมเข้ามาในจิตใจบ้างสังขารที่เป็นความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาที่จิตใจไม่ใช่จิตอีกความโกรธไม่ใช่จิตนะความโกรธเป็นสิ่งที่จิตปรุงขึ้นมาเสร็จแล้วความโกรธนั้นกลับเข้ามาปรุงแต่งจิตอีกทีหนึ่งเราจะเห็นว่าความโกรธกับจิตนั้นเป็นคนละอันกันความโลภก็ไม่ใช่จิตความโลภเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเกิดขึ้นมาจิตปรุงความโลภขึ้นมา เสร็จแล้วความโลภ ก, กลับมาปรุงแต่งจิตมาครอบงําจิตมันลากจิตไปให้วิ่งไปหาอารมณ์ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายวิ่งไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งไม่วิ่งทางใจเพราะฉั้นกิเลสทั้งหลายนะก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่แบบปรปลอมเข้ามาให้จิตรู้นะค่อยหัดดูไปอย่างนี้เรื่อยๆตัวจิตเองก็เกิดดับนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเวลาไปรูนะ้บางทีก็เป็นผู้รู้บางทีก็ไหลออกไป ไหลออกไปดูไหลออกไปฟังไหลออกไปคิดไหลออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะเห็นในจิตเดี๋ยวก็ไปเกิดที่ตาแล้วก็ดับไปเดี๋ยวก็มาเกิดที่ใจแล้วก็ดับไปเดี๋ยวก็เปเกิดที่หูนะอย่ตอนนี้ได้ยินนกร้องไหมนกเสียงดังมันเลิกเลยจะให้มันสาธิตให้ฟังอย่างเวลาเราฟังเสียงนกร้องใจเราวิ่งไปอยู่กับนกนะออถ้าตายตอนนั้นเราก็ไปเกิดเป็นนก ะดีไหม <laughs> เพื่อนเอามาปิ้งสิงั้นเราคอยรู้ทันนะรู้ทันจิตของเราเนี่ยรู้ทันนะจิตเดี๋ยวกว็วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดจิตจะดูเราไม่ได้สั่งให้ดูมันวิ่งไปดูของมันเองจิตจะฟังเราไม่ได้สั่งให้ฟังมันวิ่งไปฟังของมันเองจิตจะคิดเราไม่ได้สั่งให้มันคิดนะมันคิดของมันเองอย่างขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยสังเกตจิตของตอนเอง เดี๋ยวจิต huh. ก uh ็ต huh. ั้งใจฟังเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็ปิดคิดน่ะฟังสองสามคำก็คิดทีหนึ่งฟังสองสามคำก็คิดทีหนึ่งก็คิดในเรื่องที่หลวงพ่อเทศบ้างคิดไปเรื่องอื่นๆบ้างเลือกไม่ได้เลยว่าจิตจะคิดอะไรเนี่ยเรามีสตินะตามดูลงไปเลยแล้วเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็นึกเดี๋ยวก็ปรุงเดี๋ยวก็แต่งเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังะเดี๋ยวก็วิ่งไปรู้รส เดี๋ยวก็วิ่งไปรู้สัมผัสทางร่างกายยังนั่งฟังเทศเนีอยนั่งไปนั่งไปยุ่งมังกรดเนี่ยยุ่งมังกร์ดถอเจ็บขึ้นมามันไปรู้ที่ร่างกายที่เจ็บเยจิตวิ่งไปอยู่ที่ร่างกายแลจิตมันจะวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาเลยการที่เราคอยเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานละ้วเราจะเห็นว่าจิตนั่นแหละไม่เที่ยงจิตนั้นแหละเป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้จิตนั่นแหละบังคับไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะในกายในใจในขันห้าของเรารู้เนืองเนือรู้บ่อยๆ ถ้ารู้มากเข้ามากเข้าเนี่ยวันหนึ่งจิตมันสรุปได้ะจิตมันจะสรุปเลยว่าคันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ตัวเราจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดมีแต่ของเกิดดับไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถานบอล ท้าเมืไรเราภาวนาจนเราเห็นว่าขันท่านั้นมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแต่สภาวะธรรมที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับถ้าเห็นได้อย่างนี้นะมันเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วก็วูบไปตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าเป็นพระโสดาบันไม่เป็นหรอกจะเป็นพระโสดาบันได้นะก็ต้องดูกายดูใจมันทํางานจนเห็นความจริงของกายของใจนะว่ามันไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นเปลือกเป็นถ้าที่จิตไปอาศัยอยู่เป็นแค่วัตถุที่จิตไปอาศัยอยู่ต้องเห็นจริงๆนะ ต้องรู้ทราบซึ้งถึงออกถึงใจจริงจริงจึงจะละความเห็นผิดได้ว่ากร่างกายนี่จริงๆไม่ใช่ตัวเราจิตมันมาอาศัยอยู่ชั่วคราวต้องเห็นของจริงว่าความสุขความทุกข์ทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนั้นไม่ใช่ตัวเราต้องเห็นของจริงนะว่าสังขารทั้งหลายทั้งที่เป็นกุสนทั้งที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นเลย ศรัทธาเกิดแล้วก็ดับวิริยะเกิดแล้วก็ดับสติเกิดแล้วก็ดับสมาธิเกิดแล้วก็ดับปัญญาบางทีก็มีบางทีก็โง่มันหมุนเวียนไปเรื่อยความโลบความโกรธความหลงเกิดแล้วก็ดับะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าเห็นของจริงในจิตในใจเราไปเรื่อยนะตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็ไปเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับต้องเห็นของจริงถ้าไม่เห็นของจริงไม่มีของจริงรองรับคิดลอยลอยอาเนี้ย ไม่ล้างกิเลสหรอกต้องเห็นจริงๆหลวงปู่โดนท่านถึงบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคต้องเห็นจริงๆไม่ใช่จิตอาะท่านไม่ได้บอกว่าถ้าคิดว่าจิตเป็นอนัตตาแล้วก็จะเกิดมรรคท่านไม่ได้บอกอย่างนั้นนะบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งอย่างแจ่มแจ้งคืออะไรเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์นั่นเองถ้าเห็นครั้งแรกนะว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันจะละความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเรา จะเห็นว่าจิตเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งขันห้าเป็นแค่ธรรมชาติแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่มีตัวเราเลยถ้าเห็นได้อย่างนี้ก็เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนะเฝ้ภาภาวนาต่อไปอีกจะมันตัดครั้งที่สองนะก็ยังเห็นอยู่อย่างนั้นแหละว่าไม่มีตัวเราที่ตรงไหนเลยในขันห้านี้ก็ไม่ใช่เรานอกเหนือขันห้านี้ก็ไม่ใช่เราไม่มีเราตรงไหนะในกายในใจไม่มีเรานอกเหนือจากกายจัดใจก็ไม่มีเราจะเห็นอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะ ดูจิตดูใจก็เห็นจิตไม่ใช่เราจิตเดี๋ยวก็เกิดที่ตาไม่ได้สั่งให้เกิดมันก็เกิดได้สั่งมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้ะถ้าเห็นเนี่ยซ้ําแล้วซ้ำอีกลงไปก็ได้ธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมภาวนาต่อไปอีกนะภาวนาไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันแก่กล้าขึ้นมันเห็นเลยว่าตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นของไร้ไรสาระนําความทุกข์มาให้ร่างกายนี้นําความทุกข์มาให้ไม่ใช่นําความสุขมาให้ แต่เดิมเราภาวนามไม่เป็นเราคิดว่าร่างกายนาความสุขมาให้อย่างเรามีรูกตาตานี้ทำให้เราได้เห็นของสวยของสวยเกิดขึ้นให้ให้ตาไปเห็นแล้วใจมันสบายใจนี่มันนำความสุขมาให้แต่พอเราภาวนาจนชำนี้ชำนาญ น, นะเรารู้เลยว่าการที่ตาเห็นรูปนะแล้วใจก็เพื่อมบันไบทขึ้นมาทุกครั้งเนี่ยมันนำความทุกข์มาให้จิตหลงไปทางตาหลงไปดูรูปก็เกิดความทุกข์ จิตหลงไปฟังเสียงก็เกิดความทุกข์จิตไปดมกลิ่นก็เกิดความทุกข์จิตไปรู้สัมผัสทางกายก็เป็นทุกข์มันมีแต่ภาระทั้งหมดเลยจิตไปทํางานทางใจไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งเป็นแต่ทุกข์ทั้งหมดเลยการที่มันเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะยอมรับความจริงจิตมันจะยอมรับความจริงว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์มันจะเห็นกายเป็นตัวทุกข์ก่อนเห็นจิตเป็นตัวทุกข์นะก็กายนี้ดูง่าย ว่าจะเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกขนะ์นี่ยต้องดูกันนานนต้องภาวนาสู้ตายการเห็นร่างกายเป็นทุกขนะ์นี่ยังไม่ยากอย่างนั่งอยู่นั่งให้สบายอ่ะนั่งสบายอยู่ปัะเดี๋ยวเดียวก็ทุกข์ละความทุกข์มาตามไปกินข้าวให้ยิ่มนึกว่าจะสบายยิ่มประเดี๋ยวประดว่วความทุกข์ก็ตามมาอีกแล้วเห็นจะมีแต่ความทุกข์นอนอยู่นะเดี๋ยวก็ปวดก็เมื่อยต้องพลิกซ้ายพลิกขวาไม่เห็นมันจะมีความสุขตรงไหนเลยในร่างกายนี้ จะยืนก็ทุกข์นะจะเดินจะนั่งจะนอนก็ทุกข์จะทำอะไรอะไรมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยถ้าเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกได้อย่างนี้จิตจะหมดความยึดถือหมดความยินดีในร่างกายนี้ไม่หวงแหนแนะร่างกายนี้นำความทุกข์มาให้ไม่ได้นำความสุขมาให้นะเมื่อเห็นอย่างนี้นะใจมันไม่ยึดในกายนะ ถ, าถ้าจิตภาวนามาถึงตรงนี้ได้นะมันจะไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในปฐพะ ท, ทั้งหลาย ตามองเห็นรูปเพราะรู้ไม่เห็นจากของดีของวิเศษนะแต่ว่ามันเข้าใจความจริงจิตไม่ยินดีในรูปไม่ยินร้ายในรูปไม่ยินดีในเสียงไม่ยินร้ายในเสียงไม่ยินดียินไร้ายในกลิน่นในรสในสัมผัสทางกายนะกระทั่งตาหูจมูกลิน้นกายเองจิตยังไม่ยินดียินไร้าเลยเพราะว่าเห็นนะมันเป็นที่มาของความทุกข์นะมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งวันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งคืนเนี่ยถ้าจิตมันเห็นอย่างนี้จิตมันยอมวาง มันไม่ยึดถือกายภูมิธรรมที่จิตมันไม่ยึดถือกายในภูมิธรรมของพระอนาคามีหลังจากนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยจะไม่ค่อยยอมทําต่อแล้วพอไม่เข้ายึดกายเนี่ยมันจะรวมเข้ามาที่จิตนจิตจะมีความสุขพอจิตไม่หลงออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตก็ตั้งมั่นสงบเด่นดวงอยู่ก็รู้สึกมีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยจิตไม่มีความอยากจิตไม่มีความยึดจิตมีแต่ความสุขล้วนๆจิตมันเห็นอย่างนี้นสมัยหลวงพ่อ เรียนจากหลวงปู่ดุลนะมีอยู่วันหนึ่งหลวงปู่ดุลท่านก็บอกว่าหลวงปู่ดูลนี่แปลกอย่างถ้าเราไปถามท่านไม่พูดะถ้าเราไปนั่งนิ่งๆภาวนาไปเรื่อยอยู่กับท่านนะสมควรบอกท่านก็บอกให้วันหนึ่งท่านบอกเลยว่าผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ที่ว่าภาวนากันเก่งๆภาวนากันเก่งๆท่านบอกส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ผีใหญ่คือเป็นพลมพระนาคาะไม่ยึดกายแนละ้วแต่ไปยึดจิตอยู่ เอาจิตนี่แหละเป็นที่ฝากเป็นฝากตายนะหวงแหนรักษาจิตถนอมรักษาจิตเห็นว่าจิตนี่เป็นที่พึ่งที่อาศัยจริงๆถ้าลืมจิตลืมใจตัวเองแล้วเกิดความทุกข์นะถ้าประคองรักษาอยู่ที่จิตที่ใจแล้วมีแต่ความสุขล้วนๆท่านบอกว่าพอไปหลงยินดีพอใจแค่นี้นะไม่เดินปัญญา ต, ต่อไม่สามารถเห็นความจริงว่าตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ใตไตรลักษณ์จิตเองก็ตกอยู่ในกองทุกข์เหมือนกัน ถ้าเราไม่สามารถเห็นว่ากระทั่งตัวจิตก็ตกอยู่ในกองทุกข์เรายังรักยังคงแหนจิตอยู่ไม่สามารถปล่อยวางความยึดถือจิตได้ถ้าปล่อยวางความยึดถือจิตไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้นะงั้นการภาวนานมีขั้นมีตอนนะมีเป็นลำดับลาดับไปการที่ภาวนานถึงขั้นที่สามเนี่ยมันจะลงมาที่จิตนะการภาวนาอย่าประมาทอย่ายินดีพอใจในความสุขความสงบของจิต รู้ลงไปเลยจิตเองยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์สว่างเด่นดวงอยู่ก็ยังหมองมองได้ไม่เที่ยงเหมือนกันนะตัวจิตเองตัวผู้รู้เองที่เราถนอมรักษาไว้มันเป็นตัวทุกข์บางคนภาวนานะเห็นตัวจิตนั้นเป็นตัวทุกข์ไม่มีอะไรทุกข์เหมือนตัวจิตเวลาภาวนาไปเนมันทีแรกมันก็มีแต่ความสุขนะอยู่กับจิตใจไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่กับจิตใจอ ย, อย่างนี้เลยมีแต่ความสุขล้วนๆเลย อยู่ไปอยู่ไปพอสติปัญญามันแก่กล้าขึ้นมาจิตมันไหวตัววับขึ้นมาแทนที่มันจะเห็นว่าจิตเป็นสุขมันกลับเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์แอบเข้ามาอยู่ในจิตนะตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์พอเห็นอย่างนี้พอดูลงไปนะแต่เดิมมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาในจิตอย่างความทุกข์เกิดขึ้นที่จิตเรามีสติรู้ทันปั๊บความทุกข์จะดับเลยเหลือแต่ความสุขแต่ตอนที่ปัญญาแก่รอบเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นที่จิต ดูลงไปนะันไม่หายเพราะตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ไม่ใช่ว่าความทุกข์แอบเข้ามาอยู่ในจิตอีกต่อไปแล้วดูอย่างนั้นนั่นมันมีความรู้สึกเหมือนจะขาดใจตายเลยนะมันทุกข์จริงๆทุกข์บีบคั้นแทบสลบเลยนะแทบเป็นบ้าตายเลยตรงเนี้สมาธิต้องดีนะจิตต้องตั้งมั่นจริงๆสละเป็นสละตายตายก็ตายตรงนี้ตายกับการภาวนานะอย่างนี้มันถึงจะผ่านได้ใจถึงจะยอมวางถ้าใจมันวางเนี่มันจะเห็นจิตนี้เป็นตัวทุกข์ เมื่อจิตเป็นตัวทุกข์แล้วเนี่ยไม่มีสิ่งใดในสามโลกะธาตุนี้จะเป็นตัวสุขได้อีกแล้วเพราะตัวจิตเป็นตัวทุกข์เอาจิตนี้ไปอยู่ในพรหมโลกก็คือเอาตัวทุกข์ไปไว้ในพรหมโลกอีกเอาจิตไปอยู่ในเทวโลกไปเป็นเทวดาก็คือเอาตัวทุกข์ไปเกิดเป็นเทวดาอีกจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์นี่ถ้าภาวนาอย่างนี้นะที่เรียกว่าเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นจิตไม่เชี่ยงเห็นจิตเป็นทุกข์นั่นเองบางท่านท่านเห็นจิตเป็นอนัตตาครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะอันนี้ เคยอ่านประวัติท่านแนละ้วเคยรู้จักท่านคือหลวงปู่สุวัสด์ใครรู้จักใครรู้จักหลวงปู่สุวัสด์รู้จักไหยโอ้สุวัสโจคนไหนเคยรู้จักก็รู้จักทุกองคเลยเนาะคนไหนไม่รู้จักก็ไม่รู้จักสักองคห <c oughs> ลวงปู่สุวัสด์ท่านบอกท่านดูดูของท่านอยู่นะท่านก็หยิบจิตป่าทิ้งไปเลยกว้างลงเหวไปเลยไม่ยึดถือนี่ท่านเห็นอนัตตานะไร้าสาระท่านโยนทิ้งไปเลย งั้นครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ท่านเห็นไม่เหมือนกันนะในตจลักษ์บางองค์เห็นอนิจจังบางองค์เห็นทุกขังบางองค์เห็นอนัตตาแต่รวมความแล้วก็คือเห็นว่าตัวจิตที่เป็นตัวรู้นั้นไร้สาระเอาเป็นสาระเอาเป็นที่พึ่งเป็นแก่นสารอะไรไม่ได้จิตก็ย่อมปล่อยจิตถ้าจิตปล่อยวางจิตก็จิตจะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกแล้วนะนั้นที่สุดของทุกอยู่ตรงนั้นเองนี่หลวงพ่อเอาธรรมะมาคืนให้คนสุรินนะแต่คนจังหวัดอื่นก็ถือว่าเป็นผลผลายได้ นี่แหลเรียนมาจากหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนมาอย่างนี้ท่านสอนครั้งสุดท้ายที่เจอท่านนท่านสั่งเลยจําไว้นะพบจิตให้ทําลายจิตพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านสอนอย่างนี้เลยเข้าใจไหมหลวงปู่ชอบถามเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจําไหมเออจําไว้นะเนี่ยจําไว้ จำไว้เราต้องมาภอหนาเมื่อไหร่จะเห็นเมื่อไหรจะเห็นจิตเราท่านไม่บอกนะว่าทํำยังไงถึงจะทําลายจิตทํางไงจะปล่อยวางตัวผู้รู้ปล่อยวางจิตได้นะท่านบอกเป้าหมายไว้เฉยๆแต่ไม่บอกวิธีแต่ว่าจริงๆท่านบอกวิธีแล้วท่านบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรจิตจะเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นจิตมันตกอยู่ใต้ใจรักนั่นแหละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ต้องเห็นจริงๆไม่ใช่คิดเอา เรียกการภาวนานะต้องภาวนากันแบบนี้ถ้าภาวนาแล้วเราไม่เห็นจิตตัวเองจิ ต, จตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วยังภาวนาไม่ได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติครูบ า, าอจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อคือหลวงปู่เทศท่านสอนหน่อยว่าการภาวนาเนี่ยถ้าไม่เข้ามาถึงจิตถึงใจเนี่ยยังไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติได้แค่เปลือกๆนะงั้นอย่างเราจะดูไกาเนี่ยต้องมีจิตเป็นคนดูอย่างนี้ถึงจะได้แก่นสารจะเห็นว่าไกาก็ไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนดูอยู่ก็ไม่ใช่เรา จะดูเวทนาก็เห็นอีกนะมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูที่จะเห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราตัวจิตเองก็ไม่ใช่เราจะดูสังขารที่เป็นกุศลอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาก็จะเห็นความโลภความโกรธความหลงเป็นของถูกรู้ถูดูไม่ใช่ตัวเราะเห็นตัวจิตเองเกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งก็เกิดปัญญาขึ้นมา ตัวจิตไม่ใช่ตัวเราใครเป็นคนเห็นจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จิตนั่นแหละเป็นคนเห็นจิตเห็นจิตนั้นแหละจิตนั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเพราะงั้นเราภาวนาต้องให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก่อนแล้วให้มาเจริญปัญญานะงั้นเบื้องต้นทําใจให้สงบใจมันฟุ้งซ่านไปในกิเลสนะให้มาอยู่กับอารมณ์มันเดียวก่อนอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรเนี่ยนะใครสนัดพุดโทโธอยู่กับพุโทโธแล้วมีความสุขมาอยู่กับพุโทโธ ใครถนัดรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขมาอยู่กับลมหายใจะพอจิตมันมีความสุขแล้วจิตก็สงบพอจิตสงบแล้วมันค่อยมาปรับวิธีดูใหม่นะพุทโธไปแล้วค่อยรู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทันนะหายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตหนี้ไปคิดรู้ทันเรื่อยต่อไปมันจะเห็นเอยว่าจิตพอลงไปคิดนะพอเรารู้ทัน่จิตมันจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้รู้กับผู้คิดนักลับข้างกัน ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตที่เป็นผู้คิดเมื่อ น, นั้นจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นเพราะจิตเป็นผู้รู้ได้แล้วคราวนี้อย่าอยู่เฉยๆต้องเดินปัญญาดูลงในกายดูลงในใจถ้าจิตมันจะรู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ยอมดูกายดูใจต้องช่วยมันคิดพิจารณาโน้มนําจิตลงมาดูกายพิจารณาร่างกายไปให้เห็นพิจารณาไปก่อนว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาจิตใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้คิดพิจารณาไปก่อน พอจิตมันคุ้นเคยที่จะเจริญปัญญาต่อไปไม่ต้องคิดแล้วมันจะเห็นกายไม่ใช่เราจะเห็นจิตไม่ใช่เราถึงขั้นที่เห็นกายไม่ใช่เราเห็นจิตไม่ใช่เราเห็นจริงๆแล้วเนีนะ่เป็นขั้นที่เจริญปัญญาที่แท้จริงแล้วนะแล้วค่อยฝึกนะเป็นลําดับลําดับไปอย่าใจร้อนฝึกกรรมฐานเวลาสะสมกิเลสนรสะสมกันข้ามภพข้ามชาติเวลาภาวนาสามเดือน7เดือนอะไรเงี้ยจะหวังได้มากผล อ, อะไร ย, ยังไม่คุ้มกันหรอก สะสมกิเลสนานสู้กันนานหน่อยอะะอวันนี้เท่านี้ก็พอนะเทียนนา น, นี้รู้เรื่องปรับถ้าไม่รู้เรื่องนะเอาไปหาซีดีหลวงพ่อฟังนะไปฟังฟังแล้วฟังอีกะถ้าฟังแล้วจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาได้เราจะเห็นธาตุเห็นขันเนี่ยมันแยกตัวออกไปการภาวนานะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแยกธาตุแยกขันไม่ออกแยกธาตุแยกขันไม่ได้นะ ไม่มีการเจริญปัญญาที่แท้ จ, จริงต้องแยกธาตุแยกขันให้ได้เกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตต้องแยกให้ได้ถ้าแยกได้แล้วมันจะเห็นเลยทั้งกายทั้งเวทนาทั้งสังขารทั้งจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวเราจะเห็นนะเห็นเองถึงเวลาแล้วเขาเห็นแจ้ง เ, เขาเห็นแล้วเขาวางถ้าคิดคิดเอาไม่วางจริงคิดเอาเช่นคิดว่าร่างกายไม่เที่ยง ร่างกายเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคิดคิดเอาข่มกิเลสได้ชั่วคราวเดี๋ยวขาดสติใหม่นะกิเลสก็กลับมาอีกนะต้องเห็นแจ้งด้วยใจจริงๆถึงจะยอมวางเพราะฉะนั้นภาวนาเนี่ยเข้ามาให้ถึงใจจริงๆเรียนจะให้ถึงใจจริงๆนะอ่ะเท่านี้ละเนาะครับในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญ น, นะครับท่านพันเอกพิเศษสริวิทย์เจริญวงศ์นะครับท่านรองผู้บังคับการ จวัดนฐานบกสุรินนะครับได้ถวายเครื่องทยธรรมแด่พระพิสุสงฆ์นะครับขอริษเชิญครับมีรับพรด้วยไม่ไม่ให้พร น, นะท่านไม่ยอมยะถาวารีวหาปุราปริปูเรนตีสาครังเอวะเมวาอยโตจินนางเปตานังอุปกปปติ อิชิตังปฏิตังทุมหังคิ ป, ปะเมวาสมิชชตุสัพเพปูรเรนตูสังกปาจันโทปนรารโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวัชันตูสัพพาโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรยโยสุขีธีคายโยโภพะอาภิวาธนาศิลิสนิจังวุธาปจจายิโน จัตตารโรธรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขขังภะลัง